สมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึง่งโกรธพระพุทธเจ้ามากนะไม่ทราบด้วยสาเหตุใดพอเห็นพระพุทธเจ้าก็รี่เข้าไปเลยนะแล้วก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าส่วนพระพุทธองค์นะก็นิ่งสงบไม่ได้ตอบโต้อะไรจนกระทั่งเขาดา่าไม่รู้จะด่าอะไรละ จึงหยุดแล้วพระโพธิวงค์ก็เลยถามเขาว่าพราหม์บ้านท่านเนี่ยมีเคยมีอคตุกะมาเยี่ยมท่านบ้างหรือเปล่าที่บ้านพราหม์ก็บอกว่ามีสิข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนสินนะส้นไม้ไร้ตอกนะสิ้นไร้ไม้ตอกก็มีเพื่อนเมียอคตุกะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ พระองค์ก็เลยถามว่าเวลาเมียคตุกะมาเยี่ยมท่านที่บ้านนี่ท่านทําอย่างไรพรามก็ตอบว่าข้บเจ้าก็เอาน้ําเอาของขอบเคี้ยวนะมาให้มาต้อนรับอคัตุกะพระองค์ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาคัตุกะนั่นเนี่ยเนะขาไม่กินน้ำนะเขาไม่กินของที่ท่านนํามาต้อนรับเนี่ยของน่าจะเป็นของไข่ พระรามก็ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าสิพรนะพุทธเจ้าก็เลยพูดต่อไปว่าเนี่ยคาด่าว่าของท่านนะหากว่าเราไม่รับนะคําด่านั่นจะเป็นของใครพอถึงตรงนี้นี่พระรา์ก็อึ้งเลยนะสิ่งที่พระรา์พูดไปนะไม่ว่าจะด่าบริพาดอย่างไรเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะว่า พระพุทธองค์เนี่ยแม้รับคำด่าของพราหมณ์เสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดนะเป็นพาษิทธ์นะเตือนสติพราหมณ์คนนั้นนะแล้วก็บอกถึงท่าทีของพระองค์ด้วยพระองค์ตัดว่ า, าผู้ที่โกรธตอบคนที่ด่าเนี่ยเร็วกว่าคนดา่า ผู้ที่ไม่โกรธตอบคนที่ดา่าถือว่าชนะสงครามที่ชนะได้แสนยากผู้ที่มีสติยับยั้งชั่งใจนะไม่โกรธคนที่ดา่าถือว่าเป็นผู้ที่ทำทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอันนี้น่าพิจารณานะสารชพุทธเนี่ย บางทีเราคิดว่าเออถ้าใครดา่าเราต้องด่ากลับนะเป็นการสั่งสอนจะได้สมน้ำสมเนื้อนะแต่พูวงับตอบว่าเนี่ยถ้าใครคืนทำเช่นนั้นนะก็เรียกว่าแยก่กว่าแยก่กว่าคนที่ด่าเราสิกนะนี่ทำยังไงนะจึงจะไม่โกรธนะทำย่างไรจรึงจะไม่โกรธนะเวลามีคนมาด่าว่าสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเนี่ยกับพรามคนนั้นเนี่ย เราก็ได้ได้โต้ตอบสนทนากับพรามนี่นแหละมันเป็นวิธีการนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่โกรธเวลามีคนมาด่าว่าเราก็คือไม่รับคำด่าเขาก็าจะด่ายังไงนะเราก็ไม่สนใจนะแต่คนเราเนี่ยนะเวลามีใครมาดา่าเราเนี่ยเราก็มักจะเอาตัวกูเข้าไปรับนะ มันก็เลยเจ็ดไงเปรียบเหมือนกับเราเดินเข้าไปในสวนนะสวนมะพร้าวเนี่ยมันมีลิงเกเลเนี่ยชอบแกล้งคนนะพอมเห็นคนเดินผ่านมามันก็เอาลูกมะพร้าวเนี่ยคว้างมาที่เราเนีสมมติเราเดินผ่านไปตรงนั้นเราเห็นลิงเนี่ยมันคว้างมะพร้าวใส่เราเนี่ย มะพร้าวลูกนั้นเนี่ยมุ่งมาที่เราเราควรทำอย่างไรเนะเราควรหลบหรือว่าเอาตัวรับเอาหน้ารับนะสามารถสำนึกนะมันก็บอกเราว่าเราก็ควรจะหลบนะถ้าเราเอาตัวรับเอาหน้ารับเราก็เจ็บสิแต่ทำไมนะเวลามีคนอ่าด่าเราผลุศวา่าเนี่ยที่พุ่งมาใส่เราเนี่ย ทำไมเราไม่คิดจะหลบบ้างนะเขาด่าเราว่าเราเป็นหมูเป็นหมาถ้าเราไปรับสมอ้างว่าเออเราเป็นหมูเป็นหมาเราก็ทุกข์อย่าไปรับนะหูได้ยินก็กจริงนะแต่ว่าอย่าเอาตัวกูเอาตัวตนไปรับนะก็คือไปคิดสำคัญไม่หมายว่าเขาด่ากูเขาด่ากูนะเขาว่ากูเป็นหมาอย่างนี้เรียกว่า เอาตัวไปรับนะรูปมะพร้าวนะเต็มเปาเลยอันนี้เรียกว่าไปรับเอาคําด่าของพราม์ก็ไปละนะผู้จาเนี่ยพระองค์ก็แสดงให้เราเห็นนะว่าใครเขด่าเราอย่างไรนะถ้าเราไม่รับคําด่าขเขาเนี่ยคำด่านั้นจะตกไปของใครก็ตกเป็นของผู้ด่ามันเหมือนกับถมน้ํำลายนะตั้งใจจะลถฟ้าเนี่ย แต่ว่ามันลดไม่ถึงฟ้าเนี่ยนะพอะฟ้าอยู่สูงเนี่ยน้ำลายที่ถมเนี่ยมันจะตกลงมานะสู่หน้าใครนะถ้าเกิดว่าฟ้าเนี่ยนะต่ำพอนะไปรับนะไปรับน้ำลายนะที่ใครบางคนเนี่ยนะถมน้ำลายฟ้าคงจะ แเปื่อนนะแต่ฟ้านี่เขาเขาสูงนะใครจะถมน้ําลายไปเนี่ยนะฟ้าไม่รับรู้ส่วนน้ําลายที่ถมไปเนี่ยมันก็ตกลงมาเปื้อนหน้าของคนที่ถมนะคำด่าเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าถ้าเราไม่รับเนี่ยมันก็ตกเป็นของอผู้ที่ด่ามีคนก็เปรียบเทียบไว้น่าสนใจเขาบอกว่าคําด่าเนี่ยก็เหมือนกับเขียนจดหมายนะ จากหน้าซองนะถึงผู้รับแต่ถ้าผู้รับเนี่ยไม่รับจดหมายนั้นเนี่ยจดหมายนั้นมันจะไปไหนนะมันก็ตีกลับนะมายัางผู้เขียนเปะนั้นวิธีนึงนะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่โกรธนะเวลาถูกด่าคือว่าไม่รับเอาคำด่าของเขาไม่ใส่ใจไม่เอาตัวกูไปรับนะเขาจะพูดเขาจะว่ายังไงนะเราก็ไม่ไปสนใจ อาจารย์ชาเนะี่ยท่านแนะนําไว้ดีนะั้นบอกว่าใครด่าเรานะเป็นหมูเป็นหมาเนะีก่อนที่จะโกรธนะก็ลองคลำที่ก้นก่อนนะว่ามีหางง อ, อกมาหรือเปล่านะถ้าไม่มีหางง อ, อกเล้วถ้าไม่มีหางง อ, อกมันก็จะไปด่าเขานะหมายความว่าเขาด่าเรายังไงมันก็ไจะทําให้เราเป็นอย่างที่เขาดา่าล้วเราจะโกรธไปทําไม นะเขาว่าเราเป็นมูนเป็นมา้าแต่เราไม่ได้เป็นเราจะทุกข์ไปทําไมนะีอันนี้ก็เป็นนะเรียกว่าวิธีการปล่อยวางนะพอถ้าปล่อยวางคําด่าแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่โกรธแต่นี้ปัญหาคือส่วนใหญ่ก็เผลอนะไปรับเอาคําด่าก็ไปแล้วลิงมันควางรูมาเพ้ามาก็เผลอเอาหน้าไปรับเผลอเอาตัวรับเจ็บนะเอาตัวกูไปรับคาําด่าก็เป็ไง ก็โกรธสินะคราวนี้โกรธแล้วจะทํำยังไงนะก็ต้องหาทางบรรเทาความโกรธนะนะอ่าเพราะถ้าเราไม่บรรเทาความโกรธนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อรอดต่อเทียงกับเขานะมันก็เกิดปัญหาตามมาปุเจ้าก็แนะนำนะว่าเวลาเราโกรธนี่นะวิธีบรรเทาความโกรธหรือระงรับความโกรธก็คือว่าข้อแรกเนี่ยเป็นนึกถึงเรื่องอื่นอ่านะ ไปนึกเรื่องอื่นแทนอย่าไปนึกถึงเรื่องที่เขาว่าเราเขาด่าเรานีพอเราไปนึกถึงนะเช่นไปนึกถึงข้อความที่เขาเขียนทาง facebook ทางไลน์มันโกรธเลยนะแต่พอเรานึกถึงเรื่องอื่นเช่นนึกถึงงานวันนี้เรามีงานอะไรต้องทําบ้างบางทีก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าพอจิตเราไปรับรู้สิ่งนี้นะ ความโกรธมันก็จะเบาบางลงนะเหมือนกับว่าไฟเนี่ยพอมันไม่มีไม่มีเชือ้อไม่มีฟืนมันก็ค่อยๆมอดไปสนใจสิ่งอื่นแทนเอาใจมาอยู่กับลมหายใจก็ได้โกรธนะกำลังโกรธนะลองเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆจะนับหนึ่งไปเดียวก็ได้นับหนึ่งสองสามเนี่ยการทําอย่างเงี้ยมันช่วยทําให้เราลืมความโกรธไปได้ พรใจเราเนี่ยมันรับรู้ได้อารมณ์เดียวเหมือนคนมีมือมือเดียวนะถ้าจะเอาใจไปอยู่กับลมหายใจมันก็ต้องวางความโกรธลงก่อนนะถ้าจะเอาใจไปนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงงานการนะหรือนึกถึงหนังที่เรากำลังจะไปดูอ่ะมันก็ต้องวางเรื่องความโกรธหรือวางอารมณ์โกรธนะ อีวิธีนั่นคือว่าให้พิจารณาหรือนึกถึงโทษของมันโทษของความโกรธนะเวลาโกรธเนี่ยนะใครเดือดร้อนนะใครทุกข์เป็นคนแรกนะแม้เราจะแช่งชักหักกระดูกเข้าอยู่ในใจนะแต่ว่าคนที่เดือดร้อนคนแรกคือเราถ้าเราโกรธบ่อยๆนะเราก็ป่วยง่ายนะความดันขึ้นนะ เป็นมีอาการเกรงโน่นเกรงนี่บางก็ปวดท้องบางก็ปวดหัววันนี้โพวนี้เป็นพวกที่โกรธเรื้อหลังงั้นถ้าเราเห็น่วงความโกรธนะมันก็ทําให้เราเนี่ยนะปล่อยวางความโกรธนะลองนึกเสียว่าโหเนี่ยเ ร, เราถูกด่าแล้วนะแล้วยังปล่อยใจให้ร้อนรุ่มเพราะความโกรธเนี่ยอันนี้เรียกว่าขาดทุนนะอันนี้เราทําร้ายตัวเองอ่า ถ้าเราต้องการชนะเขานะเราต้องชนะด้วยการที่เราไม่โกรธเพราะเขาต้องการด่าให้เราโกรธเนถ้าเราโกรธก็แสดงว่าเราตกอยู่ในอำนาจของเขาเป็นไปตามที่เขาต้องการถ้าเราต้องการจะชนะเขาไม่ต้องชนะด้วยการด่าอันนั้นมันไม่ใช่วิธีของผู้ฉลาดเราชนะด้วยการที่เราไม่โกรธเขาอยากให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธสักอย่างนะ เหมือนกับพรามผู้นั้นนะพรามผู้นั้นต้องการด่าเพื่อผู้เจ้าโกรธผู้เจ้าไม่โกรธนะพราม์ก็นะอึ้งไปเลยนะเสียหน้าไปเลยนั้นถ้าหากว่าอีกวิธีนึงคือว่าให้ลองหาโทษหาเหตุของมันนะมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลองหาเหตุซหมันเกิดมันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เราโกรธเพราะเขาด่าเรานะแต่ลึ ก, ล ก, ลกเนี่ยสายเหตุหรือตัวการคือเรา มีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเรารักหน้าตาของตัวเราอยากจะให้คนชมนะไอตัวกูของกูเนี่ยมันต้องการคนชมมันไม่ต้องการมันไม่อยากให้ใครมาด่านะแค่ไม่ชมนี่มันก็ทุกข์แล้วนะสมัยนี้เนี่ยเพียงแค่เพื่อนไม่กดไลค์เนี่ยหรือ ม, มีใครกดไลค์เนี่ยคนก็ทุกข์ลว ย่งไม่ทันจะมีคนคอมเมนต์ว่าเยแค่าไม่กดไลน์นี่ก็ทุกข์แล้วต้องไปอบอกเพื่อนๆส่งข้อความไปทางไลน์ช่วยกดไลน์ให้หน่อยเนี่ยบางคนนี่พอทีแรกมีคนกดไลน์เยอะแต่ตัวหลังคนกดไลน์น้อยก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าเอ๊ะาไม่กดไล์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ชอบเราหรือเปล่านะเราพูดอะไรไม่ถูกหัวเขาไหมเราเขียนอะไรไม่ถูกใจเาหรือเปล่าเนี่ยนะร้อนรุมขึ้นมาเลย อันนี้มันเป็นเพราะอัตตาอัตตาไม่ต้องการการยอมรับและเพราเห็นนี้แหละพอมีใครมาด่าว่าหรือแค่ตําหนิติดเตียงก็ทุกข์แล้วนะความทุกข์ใจมันเกิดจากอัตตาเกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกนะูไอ้ความโกรธมันก็ทําให้เราเห็นเห็นเห็นสาเหตุนะถ้าเรารู้จักหรือเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอันนี้อ่นะเรากนะ็รู้ว่าจะต้อง คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูลงซะอันนี้เนี่ยมันเป็นงานของชาวพุทธอยู่แล้วนะชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ต้องลดละอัตราตัวตนงั้นถ้าเราลดละได้เท่าไหร่เนี่ยความโกรธมันจะเกิดน้อยลงแม้ว่ามีคนมาดา่ามีคนมาว่าหรือไม่มีคนชมเราก็สงบนิ่งอยู่ได้ไอ้ถ้าก็ามันยังไม่หายนะยังมีความโกรธอยู่นะทํา พยายามทำอย่างที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์นึกถึงเรื่องอื่นแทนหรือว่าการพยายามนึกถึงโทษของความโกรธก็ยังไม่หายพยายามสาหาสายเหงความโกรธนะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มันก็ยังเห็นไม่ชัดหรือว่าเห็นแล้วแต่มันยังยังโกรธอยู่นะอ่าก็ลองนึกว่าเออมันเป็นธรรมดานะมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ไม่มีใครไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ไม่ถูกด่า แม้แต่ผู้เจ้าอย่าว่าแต่ด่าว่าเลยนะยังถูกใส่ร้ายนะว่าไปฆ่าผู้หญิงอย่างที่พูดเมื่อเช้าใครๆก็กถูกด่าทั้งนั้นนะไม่มีใครที่ไม่ถูกดา่าพระอรหันต์ก็ถูกดา่านะการคิดแบบนี้มันก็ทาให้เราเบาใจนะพอเรารู้ว่าใครๆก็ถูกด่ากันทั้งนั้นการที่เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมาช่วยทาให้เรายอมรับได้ง่ายขึ้น พอเรายอมรับแล้วเนี่ยนะมันก็ปล่อยวางขึ้นได้เองนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนางกีสาวกตมีพอพอรู้ว่าคนหนึ่งเขาก็ตายเหมือนกันคนหนึ่งก็พัฒภาคสูญเสียเหมือนกันไม่ใช่มีเราคนเดียวท่านให้สูญเสียลูกคนหนึ่งเขาก็สูญเสียลูกนางก็เลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วนะไม่ต้องรอปลุกรอให้ใครมาปลุกให้ฟื้นพอรู้ว่าลูกตายแล้วนางก็ยอมปล่อยวางลูกนะ ที่เคยกอดลูกนะีไปหาคนนั่งคนนี้นะนางก็เริ่มวางลูกแล้วก็ฝังลูกนะในป่าช้าเมื่อเรายอมรับได้ใจมันก็ปล่อยวางมันไม่ใช่แค่ปล่อยวางลูกจากอกเท่านั้นแต่มันปล่อยวางลูกจากใจด้วยอันนี้เพราะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความสูญเสีย ผ, ผ้าเป็นเรื่องธรรมดาเท่าไหร่เห็นว่ า, วาการต่อ ว, ว่าด่าทอเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ทำใจได้ง่ายปล่อยวางได้เพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนคนหน่งเขาก็โดนทั้งนั้ น, นวันนี้ไม่โดนผู้นิ้วยังต้องก็ยังต้องโดนหรือไม่ฉะนั้นก็ลองมองในแง่บวกมั่งนะอันนี้พู้เจ้าสอนนะเวลาคนมีความอาฆาตเคียดแค้นใครเนี่ยพระองค์ก็บอกอุบายเอาไว้นะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่กายกายไม่บริสุทธิ์นะ แต่ใจแต่วาจาบริสุทธิ์หมายความว่ากายเขาไม่ดีพฤติกรรมเขาไม่ดีแต่ว่าคําพูดเขาดีก็ให้ผสนใจคําพูดที่ดีคําพูดที่บริสุทธิ์ของเขานะีถ้าเขากายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์นะหมายถึงว่ากายเขาดีแต่คําพูดเขาไม่ดีก็ให้เราไปจดจ่อใส่ใจกับกายหรือการกระทําของเขาคําพูดไม่ดีขเขาจะไปสนบางทีเขาเป็นคนปากร้ายนะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีการกระทําดีมีความเอื้อเฟื้อเราก็ไปสนใจตรวจ่อบตรงนั้นแทนนะีมันมีนะบางคนปากร้ายมากเลยดา่าด่าแบบเจ็บแสแต่ว่าการกระทําหรือพฤติกรรมเขาดีอ่ะนะเราก็ไปตรวจ่อใส่ใจกับพฤติกรรมที่ดีของเขาแทนอ่าแล้วคนที่การกระทําก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีล่ะนะก็ อ, อาจจะก็ออ จ, จะมี จิตที่บริสุทธิ์จิต ท, ที่สงบเป็นบางครั้งนะก็ให้ใส่ใจกับจิต ท, ที่สงบของเขาแม้จะเป็นบางครั้งบางคราวก็กตามพู้ ง, งานคือให้รู้จักมองแง่บวกของคนคนนั้นนะมองบวกมองด้านบวกของคนคนนั้นนะมันเป็นกุศโลบายนะที่ช่วยระงับความโกรธได้หรือจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้นะ เป็นการมองบวกเหมือนกันนะอันนี้พระปุณณะนี่ท่านเคยสนทนาพุทธเจ้าพระปุณณะนี่เป็นลูกศิษย์นะวันหนึ่งก็จะมาทูลลาพุทธเจ้าว่าจะกลับไปเมืองสุนาปรันตะพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยถามว่าเนี่ยคนสุนาปรันตะดูโหดร้ายนะเขาดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่า ถ้าเขาด่าว่าข้าพเจ้าก็คิดว่าดีที่เขาไม่ทำร้ายไม่ตบตีถ้าเขาตบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณ้าก็ตอบว่าเขาตบตีก็ดีนะที่เขาไม่เอาก้อนหินคว้างแล้วถ้าเ็เอาก้อนหินคว้างแล้วท่านจะคิดอย่างไรข้อก้อนหินคว้างก็ดีนะที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดนะ แล้ว wow. ข้าวไม้มาฟาท่านท่านจะคิดอย่างไรเพราวไม้มาฟาก็ดีนะที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงผู้เจ้าก็ถามว่าถ้าเข้าของแหลมมาแทงท่านท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาก็ตอบว่าข้าของแหลมมาแทงก็ดีนะดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายคราวนี้ผู้เจ้าก็เลยถามว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนะก็ตอบว่าเนี่ยคนบางคนอยากจะตายนะก็ต้องไปหามีดหาสัตรา มาทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมามาฆ่าแต่ถ้ามีคนมาทำอย่างมาทำร้ายจนถึงตายมาทำร้ายข้ า, ข า, ขาพระองค์จนถึงตายก็ดีนะก็คือไม่เหนื่อยนะอกิพระปุณํามองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมันดีทั้งนั้นดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้นะน้วเราอาจจะมองบวกในแง่นี้ก็ได้นะคือว่าเออเขาว่าเรานะก็ดีนะที่เขาไม่ถึงกับใส่ร้ายนะ ดีนะที่เขายังไม่ทํากับเรามันก็ที่ทํากับผู้เจ้านะไอ้ที่เราเจอถือว่ายังน้อยกว่าที่ผู้เจ้าเจอนะผู้เจ้านี่ถูกใส่ร้ายว่าข่าผู้หญิงเนี่ยนี่เราแค่ถูกด่าว่าแค่นั้นเองนะมองบวกอันนี้ก็ได้หรือมองบวกว่าเนี่ยดีนะที่เขาแค่ด่านะเขาไม่มาทำร้ายเราหรือถึงเขาทำร้ายเราก็ดีนะที่เขาไม่ฆ่าให้ตายลองคิดแบบนี้บ้างนะมองบวกนะ มันก็ทําให้ความโกรธความแค่นเนี่ยมันทุเราลงหรือว่าความรู้สึกวโอ้ทาไมเราแย่แบบนี้ทำไมเราซวยแบบนี้นะถูกด่าว่าตลอดเลยเนี่ยพอมองเบว่แบบนี้แล้วเราจะรู้สึกวโอ้เราโชคดีนะที่เราไม่เจออะไรที่มันแย่แบบ น, นี้อีกวิธีนึงที่ช่วยได้นะคือการแผ่เมตตานะแผ่เมตตาอย่างที่เราแผ่เมตตาไปสักครู่เนี่ยถ้าเราลองนึกถึงคนที่เขาดา่าเรา หรือทำร้ายเราแกล้งเรานะเราลองแผ่เมตตาให้เขาดูบ้างการแผ่เมตตานะถ้าเราตั้งใจจริงๆแม้มันจะยากนะแต่ว่ามันจะช่วยลบช่วยลดความโกรธเหมือนกับว่าดับไฟในใจเราอันนี้ก็อาจจะรวมไปถึงการให้อภัยด้วยนะให้อภัยเขาเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขากาลังโกรธนะเขาก็เลยทําอย่างนั้น เขากําลังสูญเสียคนรักเขากําลังเจ็บเขากําลังป่วยเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เลยด่าว่าเรานะลองคิดแบบนี้เราจะให้อภัยได้ง่ายการให้ภัยนี่สําคัญนะเราต้องรู้จักการให้อภัยเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันต้องเจอคนที่ทําไม่ดีกับเราไม่ใช่แค่พูดไม่ดีกับเราด่าว่าเราบางทีก็อาจจะ ขโมยของเราคดโกงกันแกล้งเราหรือทำร้ายเราทำร้ายร่างกายของเราถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยเนี่ยนะไอ้ความแค้นความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะทำร้ายเราเองบ่อยครั้งเนี่ยการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่เจ็บปวดเท่ากับการที่เราปล่อยให้ความโกรธความแค้นความพยาบาทเนี่ยมันเผาลุนใจมีพี่หคนหนึงนะแกตื่นขึ้นมาแกจะมีอาการใจสั่น ปวดท้องปวดหัวเป็นประจำหมอเนี่ยตรวจเท่าไหร่ก็ไม่พบความผิดปกติของเธอร่างกายไม่ผิดปกตินะแต่ทำไมปวดหัวปวดท้องนะแล้วก็ใจสั่นนอนไม่หลับแล้วเธอก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นพ่อเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะเธอนั่งรถเพื่อนชายเนี่ยกลับบ้านกลางดึกนะ เพื่อนชายก็รากว่าฉวยโอกาสขมขืนเธอนะเธอโกรธแค้นมากเลยทุกทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอบอกเธอฉันจะตื่นขึ้นมาเพราะความโกรธทั้งที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็โดนติดคุกไปแล้วนะแต่ว่าเธอก็ยังโกรธอยู่จิตใจก็รุมร้อนแล้วก็เจ็บป่วยด้วยนะอย่างที่ว่านะปวดหัวปวดท้องใจสัน่น นะแค้นมาห้าปีแล้วเธอรู้ว่าเนี่ยถ้าเธอยังแค้นต่อไปเนี่ยเธอคงจะหาความสุขไม่ได้แล้วเธอก็เลยตัดสินใจให้อภัยพอให้อภัยปุ๊บเนี่ยเธอสึกโล่งเลยโปรงรู้สึกมันชีดนี่มันมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยในใจนี่คงจะคิดว่าเนี่ยรูปที่ฉันทําไปนานแล้วนะหลายคนที่จิตใจเนี่ยนะเจ็บปวดรวดร้าวมากอาจจะเป็นเพราะพ่อนี่ถูกฆ่า หรือว่าตัวเองถูกทําร้ายถูกร่วงเกินมีคนมาแนะนําว่าให้อาภัยก็เถอะเถอะเขาก็ไม่ยอมแต่พอวันนึงเนี่ยนะมีคนช่วยที่ทําให้ให้อาภัยได้เนี่ยเขาจะพูดคลาคล้ากันเลยวนะ่รู้ที่ฉันทําเป็นนานแล้วก็คือให้อาภัยเป็นานแล้วหลายคนมักจะบอกว่าฉันให้อาภัยไม่ได้ เพราะว่าเขายังไม่ยอมรับผิดกับฉันหรือว่าเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เจอโทษโทษภัยเขายังไม่ได้รับกรรมฉันยังให้อภัยเขาไม่ได้นะต้องให้เขารับกรรมก่อนเช่นถูกตำรวจจับหรือติดคุกติดตารางฉัถึงจะให้อภัยหรือถ้าเขามายอมรับผิดกับฉันเนี่ยฉันจึงให้อภัยความคิดแบบนี้จะว่าไปมันก็ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะลองนึกนะผู้ชายคนนึงเนี่ย หรือผู้หญิงก็ได้นะกำลังข้ามถนนกลางดึกแล้วก็ปกว่ามีรถมาชนจนแขนหักขาหากักแล้วรถคันนั้นก็หนีไปแต่ว่าไม่นานก็มีรถพยาบาลมารับคนป่วยแต่คนป่วยบอกว่าฉันจะไม่ไปโรงพยาบาลเด็กขาดจนกว่าไอ้ตีนผีคันนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ย จะมาขอโทษฉันหรือว่าจนกว่าตีนผีคนนั้นเนี่ยจะถูกตำรวจจับนะฉันถึงจะยอมไปโรงพยาบาลคนที่ให้เหตุผลแบบนี้คิดแบบนี้ถือว่าฉลาดไหมไม่ฉลาดนะทุกคนเนี่ยไอ้คนแบบนี้ไม่มีในโลกหรอกมันมีแต่จะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาตัวทุกคนทํำยังไงกับร่างกายของเราเนะีเวลาเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะมีใครมาขับรถชน เราไปโรงพยาบาลก่อนนะส่วนตีนพีมันจะมามอบตัวหรือไม่หรือจะมาขอโทษหรือไม่เอาไว้ทีหลังการรักษาตัวเป็นสิ่งที่ต้อ ง, องทําเป็นอย่างแรกแต่ทําไมเวลาใจเราเจ็บปวดมีบาดแผลถูกทําร้ายเนี่ยเราจงไม่ทําอย่างนั้นบ้างนะเมื่อใจเรามีบาดแผลเพราะถูกทําร้ายนะเราต้องรีดเยียวยารักษาใจของเรา ไม่ต้องรอให้เขามาไม่ต้องรอให้คนทําร้ายนี่มาขอโทษหรือว่าถูกจับรับโทษทันซะก่อนทำยังไงเราจึงจะเยียวยารักษาใจของเราได้เวลามีความเจ็บปวดถูกทําร้าย<ม>ก็เดือการให้อภัยเนี่ยนะเรายอมไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ทาไมเราไม่ยอมเนะี่ยเยียวยารักษาใจด้วยการให้อภัย การให้ภัยสำคัญนะมันจะช่วยลดความความทุกข์ทั้งใจและกายได้อีกอันหนึ่งที่ช่วยได้นะก็คือการที่เรารู้จักมองหาประโยชน์ของมันไม่ใช่เฉพาะคำตอว่าด่าทอนะอะไรก็ตามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะคำตอว่าด่าทอก็มีประโยชน์นะมี เจ้าของเมืองโบราณอดีตเจ้าของเมืองโบราณเกษเสียชื่อไปแล้วคุณเล็กวิทยาพันเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนะวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลเป็นคนฉลาดนะรู้จักหาประโยชน์จากคำตำหนิว่าคำตำหนิมันมีประโยชน์นะมันช่วยลดอัตราตัวตนของเรามันช่วยทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดและมันก็ยังทําให้เราได้รู้จัก นิสัยใจของคนที่มาตำหนิเราด้วยคนบางคนมั น, นก็ด่าอย่างเดียวเลยเราก็รู้ว่าคนอย่างนี้มีนิสัยแบบไหนเออเราก็จะได้รู้ว่าจะคบเขาใกล้หรือไกลแค่ไหนคำตำหนิมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้คำด่าว่าก็เหมือนกันนะหลวงพ่อ เ, อเข่งก็เคยพูดว่าเนี่ยถูกด่าว่าก็เห็นสัจธรรมไดนะ้ความโกรธมันสอนทาให้เราได้ ทำให้เห็นสัจธรรมถูกต่อว่านะก็เห็นสัจธรรมได้นะสัจธรรมทั้งเรื่องของโล ก, กธรรมแปดมีคนสารเสริอก็ต้องมีคนต่อว่าไม่มีใครที่จะได้รับแต่คำชมอย่างเดียวนะปุจจาก็ยังหนีไม่พ้นคำต่อว่าหรือใส่ร้ายแล้วก็เห็นสัจธรรมนะเกี่ยวกับตัวเราว่า เป็นเพราะเรายึดติดถือมั่นในหน้าตาในภาพลักษณ์นะเราจึงทนไม่ได้เวลามีคนมาโกรธมาด่าว่าเราถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นโทษของความยึดติดถือมัน่นแล้วเราก็จะเรื่องถึงการปล่อยวางเห็นความสํำคัญของการปล่อยวางมีประโยชน์ทั้งนั้นหลยนะไม่ว่าจะเป็นความคําต่อว่าด่าทอหรือว่าความเจ็บความป่วยเหตุร้ายถนะ้าเรามองให้เป็นก็มีประโยชน์ อย่างที่พูดแล้วเนี่ยอย่างแม่ชีสาเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นแม่ชีที่วัดทำกองเพลงสมัยหลวงปู่ขาวเนี่ยมีพระมามาต่อว่าแทนที่จะโกรธนะกับกับผู้ว่าเนี่ยทราบซึ้งใจเหลือเกินนะที่ถูกพระอาจารย์มาว่าเสียงด่านี่เป็นเสียงธรรมทั้งนั้นเลย คราวหน้านี่หมดมาด่าว่าใหม่นะกิเลสไม่ได้หมดไปสักทีนะนะกับยินดีต้อนรับคำด่านะเพราะว่าเห็นประโยชน์ของคำด่าว่ามันจะช่วยขูดกิเลสลดละอัตตาได้ในที่พูดมานี่ก็เป็นเป็นวิธีการหรืออุบายนะตามคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะเพื่อใช้ในการาบันเทาความโกรธนะเวล า, าถูกด่าหรือถูกทําร้าย นะแต่ถ้าไม่โกรธได้ก็ยิ่งดีนะแต่มก็คงยากนะแม้เราจะบอกว่าเ อ, อพยายามที่จะไม่ไม่รับเอาคําด่าของเขาเหมือนกับที่พระเจ้าไม่รับเอาน้ําเอาของอของขบเคี้ยวนะซึ่งเปรียบเหมือนกับคําด่าเนี่ยพระเจ้าก็ไม่รับเลยเขาพูดอะไรไปพระเจ้าก็ไม่รับนะแต่คนเราเนี่ยอาจจะไม่รับเนี่ย คงยากนะเพราะมันเผือรับไปแล้วแต่ว่าพอรับไปแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หาทางระงับความโกรธนะด้วยวิธีการอย่างที่ว่ามามันจะช่วยเรานะช่วยให้ใจเรานะเป็นสุขได้เพราะคนเราเนี่ยมันต้องเจอกับเรื่องพวก น, นี้ยไม่ว่าในที่ทํางานที่บ้านแล้วสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียนะมันก็จะมีถ้อยคำำําทํานองเนี่ยนะมาสู่การรับรู้ของเรานะ แม้จะไม่ได้เจอหน้าเจอตานะแต่ก็ต้องเจอคําด่าที่เข้ามาทางไลน์เข้ามาทาง facebook หรือคําพูดที่ทําให้ขุนเคืองใจทําให้น้อยใจถ้าเรารู้จักจัดการกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลาเห็นข้อความหรือเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมานะเราก็จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขนะเอาละคำนี้พูเท่านี้กลับพระ